ชาติทิศาปฏิชฉาธนากันว่าด้วยการปิดป้องทิศหกส6งออริยสาวกผู้ปิดป้องทิศหกเป็นอย่างไรคหาบริบุตรเธอพึงทราบทิศหกนี้คือพึงทราบว่ามารดาปิดาเป็นทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา พึงทราบว่าบุตรภรยาเป็นทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่ามิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายพึงทราบว่าธาตุและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างพึงทราบว่าสมณะพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนสองรหบดขหบดีบุตรบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่ห้าประการ คือหนึ่งถาเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบสองจากทากิจของท่านสามจากดำรงวงตระกูลสี่จากประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาทห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า บุรบำรุงโดยหน้าที่5้าประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุรด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ห้าไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. ี่หาภรรยาสามี 3. ที่สมควรให้ห้า มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควรขหะบดีบุตรมานดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่ห้าประการนี้แหละย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่ห้าประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนนี้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 อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธ์บำรุงโดยหน้าที่ห้าประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สิทธ์ด้วยหน้าที่ห้าประการคือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกความรู้ในศิลปะวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4. ยกย่องให้ปรากฏในมิจรสหาย 5. ททำความป้องกันในทิศทั้งหลาย ขหบดีบุตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงโดยหน้าที่ห้าประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่ห้าประการนี้ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าสิทธิ์ได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนี้สองหิบบดีบุตรสามีพึงบำรุงภรยา ผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่ห้าประการคือหนึ่งให้เกียรติยกย่องสองไม่ดูหมิ่นสาไม่ประพฤตินอกใจ 4. สีมอบความเป็นใหญ่ให้ห้าให้เครื่องแต่งตัวภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบำรุงโดยหน้าที่หประการนี้แล 4. ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่ห้าประการ คือหนึ่งจัดการงานดีสองสงเคราะห์คนข้างเคียงดีสามไม่ประพฤตินอกใจสี่รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ห้าขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวงข้าบรีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบำรุงโดยหน้าที่ห้าประการ น, นี้แล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 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพมักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 5. นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรข้าบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายกระบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้กเกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชะนี้271ขหบดีบุตรนายพึงบำรุงธาตุกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่างโดยหน้าที่5ประการคือหนึ่ง จัดการงานที่ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้าง 3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 4. ให้อาหารมีรสแปลก 5. ให้หยุดงานตามโอกาสทานกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่างบมรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนายสองเลิกงานเข้านอนทีหลังนายสามถือเอาแต่ของที่นายให้สี่ทำงานให้ดีขึ้นห้านำคุณของนายไปสารเสริญข้าหบดีบุตรทากดกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่างนายบ่มรงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่ห้าประการนี้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 เป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนี้สอดพระผู้มีพระภาคผู้สุคศสาสดาครั้นตรัสเวยยกรณภาสิทธิ์นี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ามารดาปิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรยาเป็นทิศเบื้องหลัง มิสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายธาตุกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนครืหัดในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไหวทิศเหล่านี้บัณนดิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเจียมตนไม่แข็งกระด้างเช่นนั้นย่อมได้ยศคนขยันไม่เกียดคร้านย่อมไม่วันไวในอันตรายทั้งหลาย คนมีความประพฤติไม่ขาดตอนมีปัญญาเช่นนั้นย่อมได้ยศคนชอบสงเคราะห์ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เขาบอกปราศจากความตรนีเป็นผู้ชอบแนะนำชี้แจงแสดงเหตุผลเช่นนั้นย่อมได้ยศทานเปยยวัชชะอัฏฐจาริยาในโลกนี้และสมานัตตา ในธรรมนั้นๆตามสมควรสังฆะธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลกเมื่อลิ้มสลักเพล่าดุมรถที่แล่นไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสังคะธรรมเหล่านี้มารดาหรือปิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุแต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสาคัญของสังฆะธรรมเหล่านี้ ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงมีความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสะลรเสริญ274เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสิงาล ก, กะขะหะบดีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ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 และประสงค์ว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตสิงคลกสูตรที่8จบ